แต่นี่ไม่ใช่อย่างนั้นลาฏิในศาสนาต้องจุดเริ่มต้นเหมือนกันหมดเลยจะขอเวลาไหนก็ได้ครับถ้าอย่างนั้นสมมุติถ้าท่านพิสิทธิธ์ขอขอบริวารสมาทานแล้วบอกวัดตอนเวลาเที่ยงเที่ยงวันว่าอยู่ไปอยู่ไปเพราะได้อารุณแสดงว่ายังไม่ได้วันหนึ่งคืนหนึ่งเพราะเพิ่งอยู่มาครึ่งวันกับคืนเดียววันนั้นไม่นับแสดงว่าวันนั้นใช้ไม่ได้อยู่มัออ้อนับได้แต่แต่ยังไม่ได้ครบวัน ต้องต้องอยู่ไปนู่นพาวันสุดท้ายสมมุติเราขอสิบวันพอวันสุดท้ายแล้วต้องเลยไปถึงจนถึงเที่ยงเที่ยงวันถึงจะเอามาปะใกล้ตรงที่มันขาดไปเที่ยงเที่ยงวันตอนแรกก็เป็นอย่างนี้สิใช่ไหมครับจริงๆในนี้ไม่ใช่ในวินัยไม่ใช่จุดเริ่มต้นของทุกองค์เหมือนกันหมดเลยจะขอเวลาไหนเชา้าสายบ่ายเยน็นเที่ยงคืนแต่จุดเริ่มต้นคือนับหนึ่งลาตีได้เท่ากันเลยพอผ่านอารุณแล้วหนึ่งลาตีแล้วครับหนึ่งวันลาตีในที่นี้หนึ่งวันแล้วครับ ใช่ไหครับมันน่าปรลาถ้าถ้าไปคิดกันอย่างนั้นแสดงว่าอยู่ตอนไหนก็ต้องนับกันให้ครบจนนั้นอย่างนั้นวันธนามันน่าจะทนวันธนบอกมันน่าจะยี่สิสี่ชั่วโมงเนี่ยท่านเกิดไปขอเวลาตอนเที่ยงคืนก็ต้องอยู่ไปวันุดท้ายก็ต้องอยู่ให้ครบเที่ยงคืนแล้วก็ออกแล้วครบก็ประพฤติก็ทําไมจะไม่ได้ครับ S <S ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเ๋ยวผมมีอันนี้ให้ที่ที่อาจารย์บอกว่ามีมคือคืออย่างนี้อย่างนี้ใครจะประพฤติไม่เก็บวัดเลยหรือหรืออยู่ใกล้ประกาตามาทั้งวันทั้งคืนเลยอยู่ครึ่งวันอยู่ครึ่งคืนอยู่ใกล้อารุณนะครับ ไม่ได้ผิดในวินยัยในทีนี้ตรงนี้ไม่ต้องเอาไปเป็นข้อถกเถียงไม่ต้องเอาเป็นเป็นข้อถกเถียงนะครับไม่เป็นประมาณเลยตรงนี้คืออยู่แล้วมันบริสุทธิ์เท่ากันแต่แต่มีตรงนี้ครับไม่นิดหนึ่งพิเศษพิเศษข้างนอกนะครับตรงนี้ข้างนอกไปนิดนึงครับที่สืบเนื่องจากจากที่เราพูดกันว่าประพฤติทั้งวันประพฤติอยู่กับประาบะอยู่อ ย, อยู่อยู่ปานไม่อยู่บานคือถ้าอยู่กับปกตตะในสองเนตรบัตทั้งวันทั้งคืน หรือครึ่งวันหนึ่งคืนเฉพาะกลางคืนหรือใกล้อรุณนะครับแต่ยังไม่อรุณตรงนั้นไม่เป็นประมาณแต่ตรงนี้มีมีมีมพิเศษขึ้นมาว่าอันนี้ไม่ได้กเกี่ยวกับในนี้นะครับเอามาจากที่อื่นเอามาเอามาจากอาจารย์ให้ครับอาจารย์ใหญ่ให้ให้บอกว่าวินิเยคาุเกถาตัพังเอตังวินญาลักษณงนะครับภิกตูพึ่งดารงอยู่ในความเป็นผู้หนักในในพระวินัยการประพฤติอย่างนี้แหละเป็นลักษณะของวินัย นะครับคือยินดีประพฤติให้มันให้มันถ้ามีโอกาสมียินดีประพฤติให้มันสมบูรณ์บริบูรณ์ได้นั่นนะเป็นลักษณะของวินัยนะครับถ้าทาพยายามทาอะไรให้มันง่ายลงมาง่ายลงมาง่ายลงมาง่ายจนสุดฉีดแล้วมันมันถูกต้องวินัยครับแต่มันยังไม่ใช่ลักษณะของวินยัยคือไม่ผิดแต่ไม่ใช่ว่าทุกองค์ต้องทำอย่างนั้นไม่ใช่นะครับ เขาส่งเสริมแม่ดังคาอะไรอะไรก็ส่งเสริมว่าถึงไม่ผิดแต่ก็ควรหนักในวินัยไว้คือทําให้มันเต็มที่ไว้เลยประพฤติวินัยนี่ควรจะประพฤติให้เต็มที่ไปเลยคล้ายกับว่าอย่าให้มันย้อนใช่ไหมครับอ่าครับไอๆไอๆอย่างนี้อ้าวอาสมมุติอย่างนี้อย่างอยู่ปริวารเอายกตัวอย่างอยู่ปริวารนะครับในที่ที่ไม่เก็บวัดแล้วอยู่ได้เลยอ่าภิกษุมีอยู่น้อยไม่มากในวัดนั้นเป็นวัดไม่ใหญ่โตมีอยู่น้อยไม่มาก ไม่ละอากับการบอกบอกอาคันตุกะบ่อยๆมันคือไม่เลยไม่ละอาไม่ไม่ละอ า, ะอ า, าใจอย่างนี้ชื่อว่าหนักในวินยัยนะครับอันนี้เป็นลักษณะของวินยัยของผู้ต้อง พ, อพื้นวินยัยแต่ในขณะเดียวกันวันนั้นก็ไม่ใหญ่มีพระไม่มากแต่ละอาแล้วเกินเดี๋ยวต้องบอกเดี๋ยวต้องบอกองค์นู้นมาเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกละอ า, าการบอกก็เลยไปพืชนู่ น, น, นใกล้ๆลาตีผิดไหมไม่ผิดครับ แต่ไม่ใช่ลักษณะของวินัยแต่ไม่ผิดทํากรรมอะไรๆก็สําเร็จรู้ร่วงกรรมนั้นๆครับสะดวกแต่ไม่ผิดครับไม่ผิดเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ใช่ข้อถกเถียงไม่ใช่ข้อถกเถียงวินัยนี่ผู้ผู้ประสงค์จะประพฤติวินัยต้องหนักในวินัยแต่ไม่โจทย์ผู้อื่นผู้กระทาไม่ผิดวินัยอันนี้คือลักษณะครับนี่คือลักษณะเขาทําไม่ผิดหรอกแต่เขาไม่ได้หนักในวินัยสมมติเราหนัก ไม่ต้องไปโจ์ไม่ต้ไปโจ์ไปท้วงเขาเพราะเขายังไม่ผิดนะครับนี่คือลักษณะของวินัยนะครับผู้ประพฤติผู้ประพฤติก็คึงประพฤติด้วยด้วยด้วยสัทธาของตัวเองเลยไม่ต้องไปบอกของคนอื่นผู้ประพฤติไม่เหมือนเราแต่เขาประพฤติไม่ผิ ด, ดวินัยว่าไม่สมควรตรงนี้ส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งแล้วมีอีกอันนึงนะครับอะไรอันนี้ต่างหากนะครับ อันนี้ผมไม่ได้จดที่มานะครับเอ๋คารุเกวิเนิเยะคารุเกะถาตะพังนี่เวลาอ่านวินัยไปเดี๋ยวก็พบครับผมไม่ได้จดที่มันทีมามีอีกข้อหนึ่งนะครับอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยตรงนี้ไม่เกี่ยวกับถนนนะครับคนละอันเงันเพียงใดมันได้โอกาสก็เลยยกมาให้ดูนาหีวินิเยะสัพพัญญุติสกายาตุงโคจรเะเอ๋พุทธะโคจรตานะครับ ยุติยุติแปลว่าอะไรฮะความอะไรอ่ะความสมควรความพอดีความอะไรอย่างนี้นะครับยุติเอเหตุผลที่พอดีคือหาเหตุผลได้ที่พอดีที่ลงตัวนะครับความพอดีในวิในทั้งปวงนะี่เพราะว่าความพอดีหรือหรืออแปลว่าไงเนี้ยุตินี่มันแปลเด่นนี่ฮะ อ่าความพอดีไม่ไม่ไม่ใช่ตกลงไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนกับเรายุติความกันไม่ใช่อย่างนี้อยุติในที่นี้คือความพอดีไปก่อนแล้วกันผมสมควรได้ไหมครับสมควรไม่ใช่มันมันได้เหมือนกันแต่มันยังไม่ไมเป๊ะทั้งหมดมันควบคู่ภาษาเรามันยากนยุติตัวนี้กับกับภาษาไทยเราเอาผมเอาความพอดีไปก่อนนะครับเพราะว่าความพอดีในวินัยทั้งปวงณตกา ย่าตรงอันใครใครรู้ไม่ได้นะครับรู้ไม่ได้ไอเหตุที่รู้ไม่ได้เพราะพุทธโคจรตาเพราะความที่แห่งพระวินัยเป็นเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้านะครับเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าอันนี้มาจากวิมติวินทนีนะครับสองครับหนึ่งห้าสองอันนี้เป็นฉบับพม่าะนะครับฉบับพม่า ไม่ใช่วิสัยครับวิสัย อ, อ, <c oughs> อ่าได้อารมณ์แต่ถ้าเราแปลอารมณ์นี่บางทีตรงนี้ <c oughs> คนฟังยากนะในในในคนที่ไม่ได้เรียนบาลีรู้สึกบางทีถ้าบอกว่าเป็นอารมณ์ของพระเจ้ารู้สึกเออฟังย่างเหมือนกันอาจจะเข้าใจไปอย่าง <c oughs> อื่นเออมันจะออกไปทางนน่นหน่อย <c oughs> ถ้าบอกว่าเป็นวิสัยโคนจร ะ, ะในทีนี้เอาวิสัยเลยอัดวิสัยเลยที่อะเป็นวิสัยเลย เพราะนั้นยุติในทีนี้ต้องต้องไปหาภาษาไทยให้มันเหมาะสมว่า น, นี้ไม่รู้อันนี้นี้ผมบอกว่าความพอดีในพระวินัยคืออย่างนี้ถึงจะถึงจะถูกมันน่าจะเป็นอย่างนี้นะข้อนี้นะครับทําไมพระเจ้าบอกกันอย่างนี้อยอย่างอย่า ง, างสมมติอย่างนี้นะเกิดความสงสยัยเอ๊ะทำไมต้องให้ไปประพฤติแค่ใกล้ใ ก, ใก้สุดวันแค่ก่อนอรุณแค่นั้นนี้เดี๋ยวสมมติสักชั่วโมงครึ่งชั่วโมงสิบ้านาทีทําไมต้องให้ไปแค่นี้ทำไมไม่อาทวัน อย่างเนี้ครับใครๆ ร, รู้ไม่ได้นี่ทําไมพระพุทธเจ้าถึงให้อย่างอนุญาตอย่างนี้นี่ครับอย่างนี้เป็นวิสัยพระพุทธเจ้าไม่ใช่วิสัยของเราที่จะคิดออกให้ได้แต่ไม่รับรองว่จาจะถูกหรือเปล่ามันไม่ใช่อย่างนั้นอีก <c oughs> คืออย่างเนี้ยสมมติว่าเราเกิดมีความสงสัยใช่ไหมครับ <c oughs> ทําไมบอกว่าประพฤติอยู่ป่าคืออยู่ป่าลาตินี่อยู่ป่าประกตะตะหนึ่งลาตินทำไมไม่หมายถึงทั้งวันทั้งคืนไม่ใช่ว่าไม่หมายถึง หมายถึงนั้งวันทั้งคืนแต่ไม่ใช่แน่นอนลงไปเปิดโอกาสที่กระทั่งเวลาสุดท้ายก่อนอรุณเพียงสิบห้านาทีเราประพฤติวัดก็ยังไม่เสียหมายถึงอย่างนั้นเราเกิดความสงสัยทำไมต้องเป็นอย่างนี้ด้วยวะทาไมพระเจ้าต้องทําอย่างนี้ด้วยนไอ้ทําไมตรงเนี้ครับเรารู้ไม่ได้ครับเหตุผลว่าทําไมเนี่ยตรงนี้ครับเรารู้ไม่ได้ในในวินัยนะครับ อ, รนนอ่าครับในวินัยเนี่ยตรงนี้ไอค้คำว่าทำไมต้องเป็นอย่างนี้อ่ครับคือ เราจะเถียงก็ไม่ได้เพราะมีมีมีมมบาลีมีคําของพระเจ้ารับรองเลยแล้วมีตัวอย่างอย่างนี้ด้วยอนุญาตเขาเองาต้องใช้ได้ครับแต่เราจะไปคิดว่าทําไมวันนี้อย่างนี้บางทีคิดคิดไม่ออกครับคิดไม่ออกพระุทธเจ้ า, าตัดเพื่อป้องกันอกุศลนติเกิดขึ้นได้ได้ครับได้ครับเพราะครับวินัยทั้งหมดเลยพระพุทธเจ้าประสงค์ตรงนี้ด้วยประสงค์นั้นเราพูดรวมๆเลยว่าทุกข้อแต่บางข้อมันไม่ได้เกี่ยวกับอกุศลใช่ไหมครับบางข้อไม่ได้เกี่ยวกันเลย แต่เราพูดได้เลยว่าทุกเพราะมันมีมันมีเป็นจํานวนมากด้วยเอาพูดได้เพราะในเหตุแห่งการบัญญัติวินัยมีตรงนี้ด้วยใช่ไหมครับเพื่อความอยู่ภาสุขแห่งพิสุใช่ไหมครับ <c oughs> อกุศลไม่มีก็าผาสุแล้วส่วนหนึ่งส่วนเบื้องต้นเพราะฉะนั้นตรงตรงนี้ตรงนี้ถ้าเราไปเจอถ้าเขาวิภาควิจารณ์เกี่ยวกับลาตีนะครับเอ้มน้องอยู่ทั้งวันถูกครับอยา่ยาอยา่าไปดีเสด เอ็มอยู่ได้เฉพาะกลางคืนถูกอีกถูกครับอย่างนี้ก็ถูกเออแล้วจะอยู่ใกล้ๆอรุณแล้วไปอยู่อ่ะใกล้ๆอรุณถึงธรรมทานแล้วก็ก็ประพฤติวัดในปกตะเออยู่กับประกตาตานั่นน่ะถูกอีกเพราะฉะนั้นพระเจ้าให้โอกาสทั้งวันเลยแม้แต่ใกล้ๆจะจบแล้วโอกาสของวันนั้นจะหมดแล้วมีจะไปประพฤต์ตอนนู้นก็ยังถูกอีกครับไม่ได้ผิดไม่ผิดแต่ไม่ใช่ลักษณะของวินยัย ครับอย่างนี้ก็อย่างอย่างนี้ไม่ชื่อว่าหนักในวินัยแต่ถามว่าผิดวินัยไหมไม่ผิดครับไม่ผิดาบางเรียนฟงยังนนยากน้น่ะไม่ใลักษณะของวินัย น, นี่อมันเป็นค ร, ครั บ, <ๆ S 1> รบไม่ใช่ลักษณะของผู้ประพฤตินะครับลักษณะของวินัยคือพระเนนก็ดีต้องต้องมีสถาประพฤติให้เต็มที่หมายความอย่างนั้นแต่ถ้าไม่ได้ทําอย่างนั้นผิดไหมไม่ผิดเ พ, พดาราะพระเจ้าอนุญาตอีกนะครับคือคือเหมือนกับทุโ ด, ดงเหมือนกันในที่นี้มันก็เหมือนกับธุ ด, ดง มีทั้งสอย่างขนาดใช่ไหมครับอุกฤษจางแล้วแบบเบาๆครับครับช่วงนั้นปฏิมาณได้ทั้งวันดีไหมใช่ครับใช่ครับทําอย่างนั้นจะบอกครับรูบร้สึกว่าท่านท่านจะบอกไว้กับสถานที่เกี่ยวกับที่ที่ควรไปประพฤติด้วยใ ช, ใช่ไหมครับสถานที่ที่ควรอยู่ปฏิบัติเลยสถานที่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมยังไม่เจอผมเจอบางแล้วเคยลืมแล้วแต่ไม่ได้นอน นี่นะครับเขายกตรงนี้มาเห็นไหมว่างั้นนะครับอท่านยังบอกว่าท่านยังบอกว่าเลยว่าสถานที่อย่างนี้คนประพฤติเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะจะให้เรานี่ประพฤติดได้สะดวกแล้วก็มันสะดวกไงครับมันสะดวกมันประพฤติดได้สะดวกกว่าที่ที่พุกผ้านใช่ไหมครับสะดวกกว่าที่พุกบ้านแล้วก็เพื่อที่จะให้เราเนี่ยเมืม่อมีมาแล้วก็จะได้บอกออืจะได้บอกว่างั้นจะได้ไปจารตัวเองว่งั้นออืมันริงอยู่ที่ไหนก็ก็ต้องบอกครับ อยู่ดีผู้พัง ก, ก็ต้องบอกถ้ามีพระมาไม่ผู้พัง ก, ก็ต้องบอกถ้ามีพระมาใช่ไหมเหมือนกันไม่ต่างกันเพียงแต่บอกมากบอกน้อยว่ากันอ๋อลาตีใช่ไหมครับท่านทันสมชัยขอไว้ใช่ไหมครับฮะอ่าผมไปอยู่ตรงไหนล่ะทีเนี้ยอ่าอ่าใช่ใช่ น่ศาลาใช่ไมับเนีแล้วแล้วพระบกตาตะแล้วพระบริวารศิกะพิสูจนอนตรงนี้ได้ไหมครับนอนลงกันตรงนี้ไหนเราจำใช่ไม่ได้นอนนินสารานอนทุ่งหนองตรงนี้นไม่ไม่ได้นะเนอือที่ที่มุงเดียวกนะันกำหนดด้วยน้ําตกจากชายคาเขตดลงนั้นลงมาตุกตรงนี้จากจากข้างในเข้ามาเป็นข้างใหนหมดเลย จากที่น้ําตกแล้วเข้ามาภายในเป็นข้างไหนหมดนะครับเป็นข้างไหนหมดเกิดมันมีข้างขวาล่ะแล้วอยู่นอกบางองค์อาจจะเข้าใจเออตรงนี้มีแต่ที่มุงไ ม, มง่มีทีบางอย่างนี้ไม่ได้นะครับเอาเอาน้ําตกลงมาเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นประมาณตรงจุดนี้แหละครับที่ส่วนมากเอามาพิพากวิจารณ์นะครับบอกว่าน้ําตกจากชายคาเขาเา้าบอกว่าน้ําตกแล้วเข้าไม่ได้เลยหมายถึงว่าภาพบ ร, ริวารนะครับหรือว่ า, วากัวเบียบไม่ครับ คือจะจะแวะเข้ามานี่ไม่ได้ทุกเสียวัดเลยอ้โอ้โอ้โอ้โอ้หนดเอาที่ตรงน้ําตกจากชายคาตรงเนี้ยเดี๋ยวไปเข้าวะบอกว่าไม่ควรนะครับไม่ควรแม่งไงอยู่ในที่มุงอันเดียวกันมีอุปจาระต่างกันครับที่มุงอันเดียวกันแต่มีอุปจาระต่างกันเข้าใจไหมครับ ลองลองหาเหตุผลดูย่างสมมติว่ามีห้องสองห้องใช่ไหมครับอีกห้องนึงนึงต่ำกว่าแต่ที่มุงมันเดียวกันนะครับอีกคนนึงนอนห้องนึงบริวารติกานอนห้องนึงแล้วก็ปัญจารนอนห้องนึงนอย่างนี้ชื่อว่าอุปจาระต่างกันนะครับครับต่างครับอย่างนี้ทางเข้าทางเข้าต่างกันก็อุปจาระต่างกันเหมือนกันชั้นบนช<บ>ั้นล่างหรือหรืออย่างนี้ศาลานี่ใช่ไหมครับแล้วก็มีมุงมุงยื่นออกไว้ติดก็นุ่นทั้งนุ่นน่ะติดก็ที่หลังจาน หลัง่าอันเดียวกันไม่ใช่คือหลังหคาติดเดียวกันติดติดกันอันนู้นมีอุปจราระต่างหากขอเกบเขตของมันอันนี้มีอุปจราระต่างหากอันนี้ก็เอาที่น้ําตกตรงนี้ในระดับของของแต่มันเนื่องติดกันคือใช้คาเดียวกันครับคนอย่างนี้ณต่างอุปจราระนะครับสมมุติว่ในที่นี้จะเข้าสารา น, นี่เข้าประตูประตูประตูประตูประตูนี่อันนู้นจะเข้าที่นู่นไปเข้าที่ประตูนู่นไม่ใช่ไม่ใช่ต้องจำเป็นต้องเข้าจากนี้ไปไปที่นู่นใช่ไหมครับ อย่างนี้ต่างอุปจาระกันมีที่มุงกันเดียวกันอย่างนี้ถ้ามันติดไปนูน่นประกตาตๆอยู่ที่นี่ภิกษุประพฤติวัดไปนอนที่นูน่นก็ไม่ได้อีกครับเหมือนต่างอุปจาระแต่มีที่มุงกันเดียวกันก็ไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับอ่าทีนี้ถึงแล้วมองไงฮะอ๋อไม่ได้ไม่ได้เลยองค์หนึ่งอยู่ชั้นล่างองค์หนึ่งชั้นบน ใช่ไหมครับไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ครับคนละห้องคนละห้องก็ไม่ได้แล้วนะครับอ่าดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับใช้ท่านจะใช้กิริยาการนอนนะครับนอนตรงนี้เกี่ยวกับเกี่ยวกับที่ถามถึงอาการถ้าอยู่ร่วมนี่หมายถึงนั่งหรือนอนหรือยืนหรือเดินหรือทั้งสี่ิริยาบทหรือหมายเอาอิริยาบถเดียวนะครับดูตรงนี้หน่อย สเจปนในที่อื่นๆยังมีอีกเยอะนะครับแต่อันนี้ถึงตรงนี้ก่อนแล้วก็เลยยกตรงนี้มาสเจปนิตาทัหูปะเอตทฐหุปะสัมปันเนปินะครับปกตเตเปธมังพระวิสิฏวานิปันเนจติวัตโสปีบริวาสโกปัจฉาพระวิสิฏวาาชนันนโติปัชินะในนี้ตอนนี้ครับเขาบอกว่าถ้าหากว่าปกตตาพิสุ นะครับถึงแม้จะบวชในวันนั้นเข้าไปแล้วนอนอยู่ก่อนนะครับเข้าไปในที่มุงที่บะในที่มุงแล้วนอนอยู่ก่อนปริวาสิกาพิสูจถึงจะมีพันศาหกสิบเข้าไปทีหลังแล้วรู้อยู่ด้วยรู้อยู่ว่ามีปกตกาศตะนอนก่อนแล้วก็นอนรู้อยู่แล้วนอนอเป็นมีเเป็นรันรติเฉดด้วยเป็นทุกกดเพราะวัฏเพทด้วยนะครับตรงนี้แกปริวาสิกาภิกษุนั้นถ้าไม่รู้ เข้าไปที่หลังแล้วไม่รู้ครับไม่รู้ว่ามีผ้านอนอยู่ก่อนแล้วก็นอนลงไปนะครับเป็นรติเฉดอย่างเดียวคือราตีเสียแต่วัตเพศไม่มีไอความไม่เอืดอเื้อไม่มีท่านไม่ท่านท่านไม่ได้เพราะไม่รู้นะครับเพราะไม่รู้เป็นทุกกดไม่ท่านไม่ปรับอบัตทุกกดเพราะท่านไม่รู้ถ้ารู้อยู่ว่านอนมีผ้ากระดาษนอนแล้วก็ลงไปนอนเป็นราตีก็นับไม่ได้แล้วก็เป็นทุกกดด้วยแต่ถ้าไม่รู้แล้วนอนลงไปราตีใช้ไม่ได้แต่ ทุกกฎไม่มีนะครับท่านไม่ปราประวัติทุกกฎในในในในตรงเงินข้ามนะครับในในในตรงเงินข้ามปริวาสิกาพิสุเข้าไปนอนอยู่ก่อนปกตกาศดาพิสุเข้าไปนอนนี่หลังในขณะที่ประกาศดาพิสุเข้าไปนี่ถ้าปริวาสิกาพิสุรู้ว่ามีพระเข้ามานะครับมีพระเข้ามานอนรู้แล้วไม่ลุกออกไปนะครับไม่ลุกขึ้นยังคือนอนอยู่นั้นเป็นทั้งรัติเฉดด้วยเป็นทั้งวัฏเพศด้วยแต่ถ้าไม่รู้ก็ในเดียวกัน คือเป็นรัติเขตอย่างเดียวไม่เป็นวัตเพศนะครับเข้าก่อนเข้าหลังไม่เป็นประมาณเอารู้หรือไม่รู้นะครับรู้แล้วคือนอนเป็นทั้งรัติเขตทั้งวัตถศอ่าไม่รู้แต่นอนไม่รู้ว่ามีปัจจัศอายุแล้วแต่นอนเป็นรัติเขตอย่างเดียวไม่เป็นวัตเพศนะครับไม่เป็นวัตเพศถ้าเข้าไปพร้อมกันหรือใครเข้าก่อนเขาเข้าหลังไม่เป็นมารแต่นอนพร้อมกันไม่ก่อนไม่หลังกันเอห่วงแล้วเนาะเด้อืลงมป เป็นรัติเฉดด้วยเป็นวัตถะเพศด้วย <zech interviewed S 1> ไม่ไม่ปกติตามเป็นไม <st> ่ได้เออคือนอนร่วมกับกติถ้าถ้านอนร่วมกับเออปริวาสิกาพิสูจด้วยกันเป็นทั้งสองรูปถ้านอนพร้อมกันแต่ถ้าปริวาสิกาอีกอง ห, หนึงนอนก่อนอีกองนอนหลังไอ้องค์เข้าไปนอนหลังรู้ว่าองค์เข้าไปนอนก่อนมีอยู่แล้วยังขืนนอนลงไปเป็นรัติเฉดทั้งสองอ ง, องแต่องค์หลังเป็นวัตถะเพศด้วยเพราะไม่เอือเึอเผือแต่ถ้าองค์อยู่ไอ้องเข้าไปที่หลังไม่รู้องค์อยู่ก่อนรู้รู้ว่ามีพระเข้ามาอีก มีบริวาริการพิสูขามาลีอีกแล้วก็นอนร่วมกันทั้งสององค์ไอไอองค์เข้ามาที่หลังเป็นรัติเขตอย่างเดียวไม่เป็นทุกอดแต่ อ, องค์มานอนอยู่ก่อนรู้ว่าเขาเข้ามานอนด้วยแล้วตัวเองไม่ได้รู้ก็เลยเป็นไม่ได้บอกก็เลยเป็นทั้งรัติเขตทั้งวัตเพศนะครับเพราะฉะนั้นหมายถึงการรู้และไม่รู้แล้วในที่นี้ที่ถามว่าเอากิริเอไอริยาบทไหนในที่นี้เอาอิริยาบทเดียวคือนอนนะครับใช้นี้ปันเนกด็ดีนิปัชิตวาก็ดี เพรในที่นี้จะบอกว่าเข้าไปแล้วนอนนะครับปาวิจิตวานิปันเนนะครับปาวิจิตวาปัจฉาปวิจิตวาชานันโต น, นิปัตชิเข้าไปแล้วนอนเพราะฉะนั้นเข้าไปเฉยๆไม่ได้เป็นอะไรรัติเขชก็ไม่เป็นวัฏเพรก็ไม่เป็นแต่ถ้านอนเมื่อไหร่เป็นนะครับหมายหนึ่งถ้านั่งคุยกันองค์หนึ่งนอนลงไปก่อนนะครับนั่งคุยไปคุยมาองค์หนึ่งนอนลงไปก่อนปกตะสมมุติเราปะกตะตะนอนก่อน ปริวาสิกาพิสูจคุยไปคุยมาแล้วไว้ขี้เกียจกับที่เอนอยเอ็นเอื้อตืดเยื่อต้อไม่เลยเป็นแล้วครับอาการนอนใช้อิริยาบถนอนอิริยาบถเดียวนะครับในที่นี้เป็นตัวอย่างแต่ความจริงมีเยอเะแยะเดี๋ยวต่ อ, ตอไปก็มากมายครับเกี่ยวกับมีมีใช้กิริยาอันเดียวคือนอนนะครับนอนเพราะฉะนั้นไอ้ที่เขาบอกเดินเข้าออร่วมโฉบไว้แฉบมาเป็นนกนางแอ่นอย่างนั้นก็ยังไม่เป็นนะครับไม่เป็นไม่เป็นไม่ต้องถือเป็นประมาณนะครับคํานั้นไม่เป็นวินัย ไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ต้องทำทำตามวินัยนะครับเป็นเทียงมัติของของบางท่านเท่านั้นในสมัยปัจจุบันคือคิดเอาเองเอาเอ า, เอาวินัยมาเป็นวิสัยของตัวเองนะดีตรงนี้ไม่ีว่าเอาน้ำตกจากชายคาใช่ไหมครั บ, รบผมคิดว่าเข้าชายคาไม่ได้ไม่ใช่ไอ้นานหมายถึงบอกว่าไม่ควรอยู่ร่วมกันในที่มุงอันเดียวกัน แม้มีอุปจาระก่างกันด้วยโดยกําหนดเอาน้ําที่ตกจากชายคาทีนี้ก็ประโยคต่อมาอยู่ร่วมคือนี่ครับอย่างนี้นิปันเนนิปัชชินิปัชตีนี่ไปอ่านเอาแค่นู้นแล้วตรงนี้ไม่อ่านนะกลัวกลัวคนอื่นจะเอ้ยกลัวกลัวจะไม่เค่งนะครับกลัวจะไม่เค่งเลยไม่อ่านไห้ความยิ่งอ่านไว้ครับแต่ไม่ยอมบอกคนอื่นถ้าแค่นู้นอ่านได้ตรงนี้ทํำไมไม่อ่านก็ติดใจหน้าครับแถวมันติดกันน่าจะอ่านต่อไปอีกนี้หนึง่งถ้าเราไปเจอใครพูดอย่างนี้เราบอก ช่วอ่านต่อไปอีกสามแถวไม่ได้เลยครับขอๆเถอะครับขอร้องเถอะขออ่านต่อไปสีกสามแถวเถอะถ้าท่านอ่านว่านี้เนี่ยนะมีในรัตนถาเลยในพระบาลีขอช่วยอ่านต่อไปอีกหน่อยเถอะครับผมอยากฟังเพิ่มเตินอ่ อ, อนอ่านต่อไว้หน่อยะขอให้ท่านอ่านครับโยกตัวนี้มาแล้วก็ในขณะเดียวกั น, นเขายกแม่แต่อุปจาชก็ยังไม่ได้โอ้ยไปหนักไปนักเลยงัง้ น, นงั้นเกิดก็อยู่ร่วมกันในในเกิดที่นั้นนะที่นั้นไอที่อนาวะเหรือมืออนาวาสใช่ไหมครับอนาวะ ไปอยู่ประพฤติกันในอนาวะเลยมีพิกถูอยู่เกิดอนาวะนั้นะมีมันกว้างเลยกว้างแ ล, แล้วไม่มีหลังอื่นเลยแล้วเราเกิดไว้นั่งคุยกันล้เสร็จนี้เข้าอุปจาระก็ไม่ได้อา้าวอุปจาระก็สองเล่มดุบาทอา้าวไม่ใช่อุปจาระที่บอกว่าเข้าอุปจาระก็ไม่ได้ใช่ไหมอุปจาระของชายคาก็ะสองยืนที่ชายคาน้ํำตกนั่นแล้วก็กว้างไป้สองเล่มดุบาทเข้ามาในเขตนั้นไม่ได้ ทีนี้ทำไงอ่ะไกลๆลุงอรุณทาไงครับก็ต้องมีต้องนิมนต์ปกตาตาออกไปอย่างนี้ก็ถ้าเกิดไม่นิมนต์ออกไปก็อยู่บาฏิครับอยู่ห่างสองเล่ตุบาทมันไม่ขัดกันเลยครับใช่ไหมครับเอ่าลักษณะสังขารนุ่นมันเสียบเข้ามาแต่ไม่ติดกั น, นมันมันน้ําตกโดนกันนะครับ อ, อ้าวท่านกาหนดด้วยน้ําน้ําที่น้ําตกลงมาแล้วจากนี้อย่างนี้ครับอย่างนี้ ในนี้เป็นข้างในท่านไม่บอกว่าชายคาเป็นเป็นข้างในไม่ได้บอกกําหนดสถานที่น้ําตกเข้ามาเป็นข้างในใช่ไหมครับเพราะมันเป็นข้างในผมว่าท่านทาน่ทานกําหนดไว้ดีเราลองไม่เอาอันนี้เข้าไปอันมันตกลงไหนครับทีนี้มันก็ตกลงตรงนี้นะใช่นั่นนะครับก็สถานที่ที่น้ํามันจะต้องตกลงมาอย่างนี้ครับสถานที่ตรงอย่างนี้ ภายในเขตของน้ําที่มันจะตกลงมานั้นเป็นข้างไหนครับแล้วทีนี้ไออีกหลังหนึ่งที่มันอยู่อย่างนี้ออืออจะใช้ได้ไหมครับทําไมครับอีกหลังหนึ่งยังอยู่เงนี้จะชื่อว่าอยู่ร่วมไหมครับร่วมเองครับแต่ตรงนี้ตกมันก็ตกขึ้นมาน่ครับตรแต่มันมข้อละานกั น, น, น, นตกไม่โดนกันน้ําตกลงดินเลย<ด>ไม<า>โ่โดนครับโดนโดนก็เป็นอันเดียวกันอย่างีงั้น เพราะอันนี้มันยื่นเข้าไปรับน้ําของเขาม嘛นี่มันยื่นรับเออเข้าไปข้างไในเสด้วยอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ว่าแค่ติดกันมัน้ําเข้าไปข้างในอีกซ้ำอันใช่ที่ท่านไม่ได้บอกว่าคนละชั้นคนละไม่ได้บอกท่านผมว่าท่านละเอียดกว่าเราเยอะเลยท่นคงหมายเอาอุปจาระต่างกันเอะไรท่านก็อยู่ในข้ออยูจาละแม่อุปจาราไหนเอออุปจาราครับใช่คือผมว่าท่านรู้ว่าไอ้พวกเราเนี่ยมันแผงมันคอยจะดิ้นหาทางรูออกอยู่เลย ท่านเล่นไว้ละเอียดเลยครับผมสวัสดีอืมท่านสมชายแกกลังหาดูอยู่หาหาต่อไปนอาไหนอ่ะที่เนี้ยนอนน่ะเหรออ๋อไอตรงนั้นมันยังไม่ถึงไอตรงนี้มันถึงก่อนเลยถึงก่อนเลยผมเลยเอาตรงนี้มามันมีมันมีที่ตรงนั้นก็มีเดี๋ยว มันอยู่ในแผนหนึ่งที่ผมบอกว่ามันผมจดไอ้ น, นั้นมาด้วยอะไม่รู้ไปยังไงว่ะเอาเอาอย่างนี้อย่างนี้ เ, เดี๋ยวผมตั้งคำถามมั่งสมมติว่าสมมติว่าท่านพิสิทธิ์เข้าปฏิวาติใช่ไหมครับมีพระอยู่และท่านก็ บ, บอกวัดใช่มประพฤติวัดท่านประพฤติกับพระกับ พ, พ, พ, พ, พวกเราเนี่ยท่านกำหนดแล้วว่า มีพระอยู่ท่านถึงถึงประพฤติวัดใช่ไหมครับประพฤริวัและแก่เป็นคนมักนอนแกนอนมากพวกเราเลยไปธุระกันไปเลยครับไปเลยคืนนั้นราตีของท่านพิจิเตเสียไหมครับไปเลยเราไม่ได้กลับมาในลาตีนั้นไปหมดวัดเลยหมดวัดเลยครับไม่เหลือเลยชักองหนึ่งถ้าไปพุทธบริวารนะครั บ, รรรบแต่ถ้ามานัดน่าจะเสียครั บ, รบไปหมดเลยพระไม่มีอยู่เลยชักองหนึ่งไม่มีพระอยู่เลยครับไม่ไม่มีพระอยู่เลย ไปหมดเลยเนี่ยพวกเราเนี่ยทุกองไปหมดเลยแกนอนลําอยู่องเดียวเสียหรอครับไม่เสียเพราะเขาบอกว่าบอกบอกกันหมดแล้วอ่าแล้วไม่ไม่ชื่อว่าในที่นี้ไม่ชื่อว่าอุเนคเนจรณังล่ะไม่ชื่อว่าการประพฤตินั้นนั้นนั้นพ้องล่ะในคณะที่พ้องเพราะไม่มีโดยเฉพาะองเออไม่ชื่อว่าวิปปวาโสเลยไม่ชื่อว่าอยู่ป่าเลยเขาบอกว่า ใกล้าดีต้องอย่างน้อยใกล้อรุณต้องมีอยู่อยู่กับประกา ต, ตาสองเลตุบาทภายในสองเล่ตุบาทไม่ไม่ชื่อว่าอย่างนี้เนอะผมค<น>ิดว่าอย่างนี้ครับก็นานนก็จะมีติดต่อมาานัานผู้ชมก็นั่นเนอ้าวถ้าอ่าัถ้าราีตงช่วงถ้งั้นถ้าตอนนั้นมันก็ยังไม่ได้ราดีเอออเยแต่ถ้าเอาถ้าท่านอเอาเสียว้าเอาเสียว่า ผมคิดว่าเสียเสียอ่าท่านส <c oughs> มชายว่าไม่เสียท่านอาลีว่า <c oughs> ไม่เสียพิชิตไม่กลับผมไม่กลับผมไปกันเลยเพราะท่านนอนมากอ่าผมไม่กลับคืนนั้นผมไม่กลับกันเลยอ่าแสดงเหตุผลอ่าแสดงมาที่ว่าเสียเพราะอ่าครับเพราะเพราะว่าเสีย เมื่อก่อนจะถึงตรงนี้เราคุยกันเรื่องท่านออกไปนูน่นไปนี่กลับมาทันออกไปเก็บมะขามป้อมกลับมาทันก่อนราตีอืออ <ints. S 1> เพราะฉะนั้น อ, อก่อนราตีตรง น, นี้เป็นสําคัญประพืชในสงฆ์ต่ประพืชที่ในภาพประกาศตายครับครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยตอนลาอารุณ์ขึ้นราตีตรง น, นี้ไม่มีพาอยู่ร่วมเลยน่าจะเสียตรงนี้น่าจะเสียอ่าท่านสําชัยเพราะไม่เสียเพราะอันนี้เขามีเหตุผลว่าเสียเพราะอย่างนี้เพราะว่า อ่าเราเราได้บะพติศแล้วเออบอกไว้แล้วเออในลานีนั้นเราได้แต่วันต่อไปไม่ได้ไม่ไม่เอาไม่ไม่ถามถามวันนี้วันที่ที่ท่อ่าอเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเหตุผลตรงนี้ทำไมต้องบอกว่าให้ไปสู่วาดที่ก่อน ก่อนลาตีอ่ะไปภายในวันนั้นภายในวันนั้นในก่อนอารมณจะขึ้นไอ้คว่าภายในวันนั้นคือก่อนลาตีเท่ากันหมายความอย่างนั้น่ไมทไมต้องมีข้อตรงนี้ด้วยเพราะว่าตรงนั้นต้องไปทันมีสงอยู่อารมณผมไม่ได้ยุโยงให้พรเถียงกันนะไครับไม่ครับผมผมรู้แล้วอ้าวออาวนาคิดนะครับคือเอาทนิทิตมาอีกตัวเองประพฤติอยู่ว่อา ทันตื่นขึ้นมาแล้วพัไปกันหมดท่านจะคิดว่าท่านเสียลาตีไหมนั่นมผมตื่นแล้วไม่รู้เรื่องเล ย, ยเสียไหมเสี ย, ยเออชื่อว่าอยู่อยู่ปรา ด, อาราดเออลาตีจึงนั่ไม่ได้อ่าผมขออ่าอ่าแดงแดงความเห็นเห็นน่นะครับอ่าจริงๆแล้วนะครับไอการที่จะอยู่คือมันจะถึงนุ่นหรือ คือท่านท่านได้บอกกับสงแล้วใช่ไหมครับอืมบอกแล้วครับบอกแล้วท่านได้บอกกับสงแล้วเมื่อท่านบอกกับสงแล้วนะครับแล้วสงหนีหายไปหมดเลยเบื่อเบื่อไหนท่านที่ท่านนอนม่านก็นอนหลับอ่าท่านก็นอนหลับอทีนี้สงก็ไปครับเมื่อสงไปแล้วไม่ได้กลับมาในในคืนนั้นในราตรีนั้นก็ไม่ได้กลับมาก็ไม่น่าจะเสียครับเพราะก็เพราะว่าท่านท่านได้บอกกับสงแล้วอ่อีกอย่างหนึ่งก็ไอการที่ว่ามันจะราตรีมันจะมาถึงลุ่งอรุณหรือไม่นั้นมันเป็น เรื่องของลาตีที่มันจะมาถึงแต่วันนั้นชื่อว่าท่านได้บอกกับสองแล้วครับ